สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมนายตกรคนชอบเล่าวันนี้อยากจะเล่าเรื่องแปลกๆนะครับเกี่ยวกับตำนานนางไม้ของญี่ปุ่นมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับเผื่อว่าใครยังไม่เคยได้ฟังบ้างเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในสกราชบุมเมระหว่างปีคริสตศักราช 1469- ถึงมีนักรบสมุไรหนุ่มคนหนึ่ง ชื่อโทโมธาะรับราชการอยู่กับท่านขุนนางฮะตะเกยามะโนชิ une, มุเนะแห่งเมืองโนโตะสมรรคนนี้เดิมเป็นคนเมืองอิจิเซนแต่ได้เข้ารับราชการในวังของท่านไดเมียวที่เมืองโนโตะตั้งแต่อายุยังน้อยจึงได้รับการอบรมสั่งสอนวิทยายุทธจากท่านไดเมียวเป็นอย่างดีเขาเป็นนักศึกษาและนักรบที่ชาญฉลาดจึงเป็นที่โปรดปรานของท่านไดเมียวประกอบกับมีรูปร่างลักษณะที่งาม นิสัยน่าคบใครเห็นใครก็ชอบจึงเป็นที่รักของหมู่เพื่อนฝูงเมื่อโทโมทดะอายุเกือบ20ปีท่านไดเมียวก็ส่งเขาไปติดต่อธุระส่วนตัวของท่านที่เมืองเกียวโตโดยบัญชาว่าให้เขาไปพบกับสหายที่เป็นไดเมียวผู้ยิ่งใหญ่ชื่อโฮโซคาวะมาซาโมโตะในการเดินทางครั้งนี้เขาต้องผ่านบ้านเกิดของเขาที่เมืองอิจิเซนด้วยชายหนุ่มได้ขออนุญาตท่านไดเมียวขอแวะเยี่ยมแม่ของเขาซึ่งเป็นม่ายอยู่ในเมืองนั้น เขาออกเดินทางท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดมีหิมะปกคลุมทั่วทุกคนทุกแห่งม้าของเขาต้องค่อยๆเดินไปช้าๆเส้นทางซึ่งผ่านในภูเขาก็ไม่ค่อยมีบ้านเรือนหรือผู้คนอาศัยอยู่มากนักในวันที่สองของการเดินทางอาันแสนจะเน็ตเหนื่อยเมื่อเวลาของเขานี้เขาขี่ม้ามาหลายชั่วโมงมากและรู้สึกท้อถอยที่ไม่อาจจะไปถึงจุดหมายในเวลาก่อนค่ำได้รู้สึกหนักใจเพราะว่าพายุหิมะก็กำลังโหมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรง ลมหนาวก็บาดผิวหนังม้าก็เพลียมากจนแทบจะหมดแรงขณะที่สมุไรหนุ่มเริ่มจะหมดกําลังใจก็มองไปเห็นกระท่อมหลังหนึ่งลางคามูงจากบนยอดเขาไม่ไกลนักเขาเร่งม้าให้เดินไปจนถึงกระท่อมนั้นซึ่งมีต้นหลิวขึ้นอยู่ใกล้ๆม้าที่เหนื่อยอ่อนฝืนเดินไปจนถึงกระท่อมนั้นจนได้สมูไรเข้าไปครอบประตูกระท่อมมีหญิงวัยกลางคนเปิดประตูออกมาพอนางเห็นเขานางก็พูดด้วยความเวทนาว่าโธน่าสงสารพอนุ่ม เดินทางในอากาศแบบนี้แย yeah, ่จริงๆนะเชิญก็มาข้างในก่อนสิคะทโมทระลงจากหลังมาและจุงม้าไปผูกไว้ในเพลิงหลังกระท่อมแล้วจึงเดินเข้าไปในกระท่อมในกระท่อมมีชายชร า, าคนหนึ่งกับหญิงสาวกำลังนั่งผิงไฟกันอยู่ทั้งสองกุลีกุจอเชิญให้เขาร่วมผิงไฟด้วยและชายชร า, ากับหญิงสาวก็อุ่นเหล้าสาเกหาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงชายหนุ่มและถามไถ่ถึงการเดินทางของเขาฝ่ายหญิงสาวก็หลบเข้าไปอยู่หลังฉากกั้นห้อง โทโมธาดาสังเกตเห็นว่านางมีความงามอย่างประหลาดแม้จะสวมแค่เสื้อผ้าเก่าๆและปล่อยเส้นผมให้รกลุ่งรังไม่เป็นระเบียบเขายิ่งนึกก็ยิ่งงงว่าสาวสวยขนาดนี้มาอยู่ในที่ห่างไกลผู้คนและแสนจะเปรียวได้ไงชัยราพูดกับเขาว่าพ่อนุม้มหมู่บ้านข้างหน้ายังอยู่ห่างไกลออกไปมากที่มากก็ตกหนักล้มพัดก็หนาวเหน็บหนทางครุขระลําบากยิ่งนักถ้าคืนท่านเดินทางไป การคํำกลางคืนเช่นนี้จะเป็นอันตรายกระทมนี้ไม่เหมาะสำหรับท่านอยู่ก็จริงเพราะไม่มีสิ่งใดที่ให้ความสุขแก่ท่านสะดวกแต่ท่านจะปลอดภัยถ้าได้พักอยู่ที่นี่สักคืนเราจะช่วยดูแลมาให้ท่านเองุโมทระรีบรับคำเชิญด้วยความเต็มใจเพราะหวังจะได้เห็นหญิงสาวคนนั้นอีกในไม่ช้าตายาก็ยกอาหารพื้นๆมาตั้งให้เคา ร, ระทานหญิงสาวก็ออกมาจากหลังฉากกั้นห้องมารินเหล้าสาเกให้เขา ตอนนี้นางเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าเนื้อหยาบแต่ดูสะอาดตาเส้นผมของนางก็เป็นสีดำสวยวิให้เรียบร้อยมาแล้วเมื่อนางน้อมกายลงดินเล่าใส่ถ้วยสมุไรหนุ่มก็เห็นว่านางสวยกว่าหญิงใดที่เขาเคยพบเห็นมาก่อนจริงๆทั้งกิริยาท่าทางของนางก็ดูสุภาพจนเขาอดประหลาดใจไม่ได้ตายายเมื่อได้เห็นก็ขอโทษขอโพยเรื่องหญิงสาวเป็นการใหญ่ อาโ อ, อยางิีลูกสาวเราเธอได้เกิดมาในป่าเขาไม่เคยพบใครมาก่อนจึงไม่รู้จักการต้อนรับขับสู้อย่างดีขอท่านโปรดให้อภัยในความเข่าบาปัญญาของลูกสาวเราด้วยเถิดธรรมโมธารดีบอกตายหญ่ว่าข้าพเจ้าช่างโชคดีอะไรเช่นนี้ที่มีสาวสวยมาคอยปฏิบัติระหว่างพูดไปเขาไม่อาจละสายตาไปจากเธอได้แม้จะรู้ว่านางแก้มแดงซ่านด้วยความอายที่ถูกเขาจ้องมองก็ตาม สัมไรหนุ่มกินอาหารและดื่มเหล้าไม่ลงเพราะความที่มัวพวงมองแต่สาวงามแม่ของหญิงสาวจึงพูดว่าท่านคะโอ่อดื่มเหล้าและรับประทานอาหารสักเล็กน้อยก็ยังดีแม้อาหารจะไม่อร่อยเป็นพวกของกินสําหรับชาวไร่ชาวนาแต่มันคงช่วยบรรเทาอาการหิวอาการหนาวของท่านได้อยู่หรอกค่ะสัมไรหนุ่มจึงกินอาหารและดื่มเหล้าให้พ่อให้แม่ของหญิงสาวไม่เสียน้ําใจ เขารู้สึกร้อนรุ่มด้วยความพิศวาสในตัวหญิงสาวแสนงามเมื่อเจรจากับนางเสียงของนางก็ฟังดูอ่อนหวานเหมือนใบหน้าของนางนั่นเองแม้หญิงสาวจะเติบโตขึ้นในกลางดงเช่นนี้พ่อแม่ของนางก็คงเป็นคนชั้นดีจึงได้อบรมสั่งสอนให้นางพูดจาดีและมีกิริยาเหมือนสาวผู้ดีในทุกเอริยาบทเขาคิดเช่นนั้นเขาทั้งบดกบีซึ่งมีความหมายเป็นนายออกมาดังๆ ด, ด้วยหัวใจเต็มล้นว่าข้ากําลังเดินทางไปเยี่ยมเยือน ได้พบสาวสวยดุดดอกไม้จึงหยุดพักชั่ววันวานณทีน่นี้ข้ามีได้ร่วงรู้เลยว่าเหตุใดเวลาก่อนรุ่งอรุณแสงตะวันยามแรกขึ้นจึงเรื่องเรื่องดังสีชมพูแห่งพมงแก้มเมื่อหญิงสาวได้ยินก็ตอบแทรกบทกวีทันทีว่าหากตัวฉันซ่อนสีอ่อนจางแห่งรุ่นอรุณไว้ใต้แขนเสื้อนี้ได้แล้วไซท่านก็อาจจะไม่จากไปในยามเช้า ธโมธดะได้ยินเช่นนั้นแล้วก็เข้าใจในทันทีว่าหญิงสาวได้รับคำชมของเขาอย่างเต็มใจเขานึกแปลกใจที่นางสามารถโต้อตอบเป็นบทกวีได้ทันท่วงทีโดยมีความหมายที่ชุ่มชื่นให้หัวใจของเขายิ่งนักสมเรนหนุ่มคุ้นคิดว่าจะหาหญิงสาวที่แสนสวยและฉลาดหลักแหลมเช่นนี้จากที่ไหนไม่ได้แล้วเขาปรารถนาที่จะได้นางมาเป็นคู่ครองหัวใจของเขาร่ำร้องบอกว่า รีบเฉลยอากาศที่เทพเจ้าประธานที่นี้โดยเร็วดีกว่าเขาหลงรักผู้หญิงสาวคนนี้เสร็จแล้วเขาจึงต้องเอ่ยปากสู่ขอนางจากพ่อแม่โดยบอกเล่าชื่อเสียงเรียงนามและตําแหน่งราชการที่เขาได้รับจากท่านเดเมิวโดวยละเอียดเมื่อพ่อแม่ของสาวน้อยก้มลงโค้งคำนับและอุทานออกมาหลายครั้งด้วยความพิศวงงงแก่ใจหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่าท่านครับท่านเป็นนักนบตําแหน่งสูงต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นใหญ่เป็นโตได้อีก ท่านแสดงความเมตตาต่อเรามากเกินไปเรามีความกตัญญูรู้คุณท่านเกินกว่าจะบรรยายได้แต่ลูกสาวของเราเนี่เป็นเด็กบ้านนอกเกิดมาต่ําต้อยโง่เขลาเบาปัญญาไม่เคยได้รับการอบรมสัง่งสอนไม่สมควรเป็นภรรยาของสมุไรผู้ทรงเกียรติเช่นท่านแม้เพียงแต่กล่าวถึงก็ยังมีบางควรแต่ได้เมื่อท่านพอใจลูกสาวของเราและยอมลดตัวลงมาไม่ถือสามารยาสามแบบชาวไร่ชาวนา ยอมมองข้ามความยาบคายของลูกสาวเราเช่นนี้เราก็ยิยนดียกลูกสาวให้เป็นหญิงรับใช้ของท่านโปรดใช้นางตามแต่ท่านจะประสงค์เถิดในตอนเช้าพยุติก็หยุดสงบลงอากาศจามใสท้องฟ้าด้านที่ตะ ว, วันออกไร้เมฆหมอกแม้หญิงสาวจะใช้แขนเสื้อปิดป้องสีชมพูแห่งรุ่งอรุณแต่ธมรทระก็ไม่อาจดีรออยู่ต่อไปได้นานและไม่อาจทิ้งนางไว้ได้เช่นกันเขาเตรียมตัวออกเดินทาง และบอกพ่อแม่ของนางว่าดูเหมือนว่าข้าพเจ้าจะต้องขอร้องท่านมากเกินไปเสียแล้วทั้งทั้งที่ได้รับความเมตตาอย่างมากจากพวกท่านแต่ข้าพเจ้าก็จําต้องขอขอลูกสาวท่านมาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อาจจากนางไปได้นางเองก็คงจะยินดีไปกับข้าพเจ้าเช่นกันถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าจะพานางไปด้วยเสด็ดนี้และจะเคารพรักท่านดังพ่อแม่บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าทีเดียว ขอท่านได้โปรดรับสิ่งเล็กน้อยนี้เป็นเครื่องหมายตอบแทนน้ำใจของท่านด้วยเถิดจากนั้นสมัยหนุ่มก็วางถุงใส่เหรียญทองลงเบื้องหน้าของชายชาราแต่ชายชารารีบส่งคืนให้อย่างสุภาพและกล่าวว่าท่านผู้ใจดีเหรียญทองไม่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราเลยท่านอาจต้องการใช้เงินนี้ตามทางยาวไกลและแสนหนาวเราจะอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องใช้เงินแม้จะอยากซื้อของก็ทาไม่ได้ส่วนลูกสาวเราก็เป็นของท่านแล้ว เหมือนของกำนันที่ยกให้ท่านเปาเปล่าท่านจึงไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตเราก่อนจะเดินทางและพานางไปนางได้บอกกับเราแล้วว่านางอยากตามท่านไปขอไปเป็นทาสรับใช้จนตราบเท่าที่ท่านต้องการเราพ่อแม่ก็ดีใจยิ่งนักที่ท่านเมตตารับนางไว้ขอท่านอย่าได้เดือดร้อนเพราะเราเลยลูกสาวเราอยู่ที่นี่ก็ลําบากพวกเราไม่สามารถหาเสื้อผ้าแต่งตัวที่เหมาะสมให้กับนางได้ อย่าว่าแต่จะให้เงินทองไว้ซื้อของติดตัวเลยเราทั้งสองแก่มากแล้วไม่ช้าก็ต้องจากไปนับเป็นโชคดีที่ทันพานางไปเสนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าโทโมทธระจะขยันขยอยเท่าไหร่ให้ชาชารารับเหรียญทองจากเขาไว้แต่ก็ไม่เป็นผลพ่อแม่ของหญิงสาวดูท่าทางจะโล่งใจมากที่ได้มอบหญิงสาวให้เป็นสิธิ์ขาดกับสมุไรเขาจึงตกลงใจพานางไปด้วยเขาอุ้มนางขึ้นบนหลังมา้ากล่าวลาพ่อแม่ของหญิงสาว และพร่ำขอบใจไม่หยุดหย่อนพ่อของหญิงสาวจึงพูดขึ้นว่าท่านขอรับเราสองคนต่างหากที่ต้องขอบคุณท่านท่านไม่จาเป็นต้องขอบใจเราเลยเรามั่นใจว่าท่านคงจะเมตตาลูกสาวเราเราจึงไม่เป็นห่วงแต่อย่างใดที่ลูกสาวเราจะต้องไปอยู่ในปกครองของท่านสมัยโบราณเมื่อสมุราพจะแต่งงานจำต้องได้รับความเห็นชอบจากคุณนางผู้เป็นนายเสียก่อน แต่โทโมทดะนั้นไม่อาจแจ้งเรื่องนี้ให้ขุนนางผู้เป็นนายทราบได้จนกว่าจะทําภารกิจสําเร็จชายหนุ่มรู้สึกเป็นห่วงหญิงสาวคุณงามเขาเกรงไปว่าความสวยของอาโอยางิจะเป็นเหตุให้คนอื่นพบเห็นเกิดความสนใจและคิดช่วงชิงนางไปเสียจากเขาเมื่อเดินทางไปถึงเมืองเกียวโตแล้วเขาจึงพยายามซ่อนตัวหญิงสาวให้พ้นจากสายตาของคนทั้งหลายแต่บ่าวของขุนนางโฮโซคาวะบังเอิญเห็นนางเข้า และสืบทราบว่านางมีความสัมพันธ์ฉันใดกับสมุไรโทโมทาดะจึงได้นําเรื่องนี้ไปฟ้องกับท่านไดเมียวท่านไดเมียวองนี้มีสักเป็นเจ้าชายและโปรดปานสาวงามเป็นที่สุดจึงได้บัญชาให้บ่าวไปพาอาโออย่างิมาเข้าเฝ้าในวังทันทีโทโมธาดะทราบเรื่องคนรักถูกชิงตัวไปเขารู้สึกเศร้าเสียใจยิ่งนักแต่ก็ไม่มีอํานาจใดๆที่จะช่วงชิงนางกลับคืนมาได้ก็เพราะเขาเป็นเพียงแค่คนนําสารของท่านไดเมียวที่อยู่ห่างไกลเท่านั้น ซ้ำยังต้องมาอยู่ในดินแดนของเดลเมล์อีกองซึ่งทรงอํานาจยิ่งจนไม่มีผู้ใดกล้าขัดความประสงค์ได้ซามูไรหนุ่มสานึกว่าเขาได้ทําผิดไปอย่างโง่เขลาที่สุดในการแอบรักหญิงสาวอันเป็นที่ขัดต่อระเบียบแบบแผนของนักรบเช่นเขาแต่ก็ยังมีความหวังรีบรีเหลืออยู่ประการหนึง่งอาโออย่างนี้อาจจะเต็มใจหลบหนีไปกับเขาโทโมทดะคิดทบทวนอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจเขียนจดหมายถึงนาม แม้เขาจะรู้ว่าการส่งจดหมายรักไปให้คนรักในวังนั้นเป็นการกระทำผิดอย่างมหันต์หากถูกจับได้แล้วก็จะได้รับโทษหนักถึงกระนั้นเขาก็ตกลงใจที่จะเสี่ยงธมโมทระแต่งบทกวีด้วยอักษรเพียง28ตัวแต่และตัวอักษรมีความหมายบรรยายถึงความรู้สึกลึกซึ้งที่อยู่ในใจของเขาทั้งหมดตลอดจนความเศร้าโศกเสียใจที่ต้องสูญเสียนางไปมีความว่าเจ้าชายหนุ่มเข้ามาใกล้ชิดติดพันสาวงาม น้ำตาของนางไหลรินลงเปียกเปื้อนเสื้อผ้าอาภรณ์ความรักหลงของเจ้าชายนั้นดังลึกแห่งท้องทะเลข้าจึงต้องร่นเร่ไปอ้างว้างเดียวดายและในตอนเย็นบรรเดียวกักกบที่ธมมตดะสำบทกรบีนี้ให้กับอาโออย่างนี้เขาก็ถูกตามตัวให้ไปพบกับขุนนางโคโซคาวะซามูไรหนุ่มแน่ใจแล้วว่ามีคนจับผิดเขาได้แล้วแน่ๆถ้าได้เมียวพบจดหมายนี้เขาต้องมีมีทางรอดพ้นจากการถูกลงอาญาสถานหนักที่สุด ธโมธดะคิดอย่างเศร้าหมองว่าเราต้องถูกประหารชีวิตแน่นอนแต่ก็ช่างเถิดเราไม่ต้องการอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้อาโออย่างนี้กลับคืนมาถ้าคุณนางสั่งปหารชีวิตเราเสียจริงเราจะพยายามฆ่าขุนนางให้ตายซะก่อนคิดได้อย่างนั้นเขาจึงซ่อนดาบไว้ใต้ผ้าคาดเอวแล้วรีบไปที่วังเมื่อเข้าไปถึงที่วังคุณนางโทโซคาวะนั่งบนบันลังแวดล้อมด้วยสมุไรตําแหน่งสูงสรงแต่งกายเต็มยศทุกคนนิ่งเหมือนรูปปั้น เมื่อโทโมธาดอเดินเข้าไปแสดงความคารวะก็เกิดความเงียบงันที่น่าสะดุ้งกลัวเหมือนความเงียบก่อนพายุร้ายจะเริ่มพัดโหมกระหน่าคุนนางเดินลงจากบันลังจับแขนสมุไรหนุ่มไว้และกล่าวคําจากบทกวีว่าเจ้าชายหนุ่มเข้ามาใกล้ชิดติดพันสาวงามน้ําตาคลอเต็มตาของคุนนางขณะที่พูดว่าเจ้าทั้งสองรักมั่นคงกันดีแท้เราจึงขอรับรองการแต่งงานของเจ้าแทนท่านขุนนางโนโตะเจ้านายโดยตรงของเจ้า เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองแต่งงานให้เจ้าแขกเรือมาชุมนุมพร้อมกันแล้วของกำนันก็พร้อมแล้วเช่นกันคุณ น, นางยกมือโบกฉากั้นห้องเลื่อนออกจากกันเพื่อให้เห็นท้องพระโรงซึ่งมีบรรดาแขกผู้มีเกียรติชุมนุมพร้อมกันอยู่แล้วเจ้าสาวของเขาแต่งตัวสวยงามยืนรออยู่แล้วอะไรกันเนี่ยอโออย่างนี้กลับคืนมาเป็นของสมุไราตามเดิมงานพิธีวิวาจัดขึ้นอย่างรู้เรื่องเริงยิ่ง คุณนางและลูกน้องโมกของขันอันดีค้าให้แก่คู่บ่าวสาวเป็นอันมากจากเหตุการณ์อันแสนจะน่าจะยินดีธทมุทดาและอาโออย่างิครองคู่กันด้วยความผาสุกตลอดเวลาหปีเช้าวันหนึ่งขณะที่อาโอย่างนี้กำลังพูดคุยอยู่กับสามีใบหน้าของนางก็ซีดขาวนางร้องบีดกังวนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสครู่ต่อมานางบอกสามีด้วยเสียงสั่นริกว่ายกโทษให้ดิฉันด้วยนะคะ ที่ส่งเสียงออกมาอย่างนี้อยู่ดีๆ ด, ดิฉันก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาแทบขาดใจท่านที่รักของฉันเราได้มาอยู่ร่วมกันด้วยผลกรรมแต่ชาติบางก่อนความสุขเช่นนี้คงกลับมาเป็นของเราในอีกหลายๆชาติข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์ของเราขาดสะ บ, บั้นลงเสื่อแล้วในชาตินี้เราจะต้องพลากจากกันไปเดี๋ยวนี้แล้วเจ้าคะ่ะโปรดสนมนภาวนาให้ดิฉันด้วยนะคะดิฉันกาลังจะสิ้นใจสมุไรนุ่มตกตะลึงพยายามพูดปลอบว่า คิดมากไปแลกระมังไม่สบายนิดหน่อยเท่านั้นเองล่ะเจ้านอนพักสักไปเดี๋ยวก็ค่อยยังชั่วแหละไม่หรอค่ะดิชันกำลังจะตายแล้วจริงๆไม่ได้คิดมากไปเองดิชันดูค่ะท่านที่รักจะปิดบังความจริงต่อไปก็ไร้ประโยชน์ที่จริงดิฉันไม่ใช่มนุษย์หรอกนะคะดิชันเป็นนางไม้มีวิญญาณของนางไม้สิงอยู่ในร่างนี้และจะมียางไม้เหลวแทนเลื่อนเลี้ยงชีวิต ใจร้ายกำลังจะตัดไม้หลิวที่เป็นตัวของดิชันลงดิฉันจึงจะต้องตายไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะร้องไห้รำพันได้โปรดเถิดข้าโปรดสวดมนต์ภาวนาให้ดิฉันด้วยหญิงสาวร้องคุนคลางด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสพยายามหันศรีรษะอันสวยงามไปทางหนึ่งและยกแขนเสื้อปิดบังใบหน้าทุกส่วนของร่างกายแสดงกิริยาประหลาดยิ่งเหมือนจะล้มแต่ค่อยๆซุดลงนอนราบกับพื้นห้องธโมทะไดรีบเข้าไปประคองร่างของเมียรักไว้ในวงแขน แต่ไม่มีสิ่งดใดจะให้เขาประคองอีกแล้วร่างทั้งร่างหายไปสิ้นเหลือเพียงเสื้อผ้าและปลินปักผมบางกองอยู่บนเสือเท่านั้นจากเหตุการณ์นี้ทําให้ทโมทระเศร้ามากไม่นานทโมธระจึงตัดสินใจออกบวชเมื่อพรันปีษุกทโมธระถงดลงไปถึงเมืองเอจิเซนเขาก็เดิวแวะที่กระท่อมของพ่อแม่ผู้ชราของภรรยาเขาซึ่งจากไปในที่เปลี่ยวกลางภูเขานั้นไม่มีกระท่อมที่เคยตั้งอยู่ กันที่เขาเคยเห็นทุกคนแห่งดูรกรางและอ้างว้างไม่มีร่องรอยเหลือให้เห็นว่าเคยมีกระท่อมอยู่ที่นี่คงจะเหลือแต่เพียงตอต้นหลิวสามตอซึ่งเป็นตอของต้นแก่สองตอและตอหลิวอายุไม่มากนักอีกหนึ่งตอซึ่งถูกตัดโค่นลงมาก่อนที่พระภิกษุทมุทะจะเดินทางมาถึงที่นี่หลายเดือนพระภิกษุได้ฝังแท่นหินไว้ข้างตอไม้สามต้นี้แทนป้ายชื่อเหนือหลุมศพ และได้สวดมนตภาวนาเพื่อให้ดวงวิญญาณของอาโอย่างิและพ่อแม่ของนางประสบสุขในปรโลกสืบต่อไปจบครับตำนานของนางไม้ฉบับเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ